ก็นอบน้อมพระรัตนตัยขออากาศหลวงพ่อกรมพระจันยุกิแล้วก็เพื่อนสัทร ม, มิทุกท่านเจริญในธรรมไม่ขีแล้วก็ยัติธรรมทุกคนเป็นไงที่สวดอนัอนตตลัคนาสูตรเห็นยังเห็นเป็นตัวตนอยู่ไหมรูปอ่ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเนี่ยขันขันทั้งห้านะที่เรายึดมั่นถือมั่นนะสำคัญหมายว่าเป็นเป็นตัวตนรูปนะนะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะที่จริงเราก็รู้นะว่ามันไม่เที่ยงในเชิงความคิดในเชิงความรู้นะ แต่สิ่งที่มันไม่รู้คือจิตนะไอ้ที่เรารูเนะี่ยมันเป็นรู้จากการการได้ยินได้ฟังกับจากการจำได้หรือจากการคิดได้นะแต่สิ่งสำคัญที่มันไม่รู้คือจิตเนี่ยนะสัญญาเ ว, เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนะเราจะพอแปลความหมายจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยได้นะ แต่การภาวนาจริงๆเนะี่ยเพื่อให้จิตมันเห็นนะเพื่อให้จิตมันเห็นสภาวะนะของรูปคอามนามตามความเป็นจริงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรามาทําความเพียรนะเรามาปฏิบัติเพื่อให้จิตมันเห็นตรงนี้แหละนะอืมเราจะรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนะ่ะไม่ใช่ตัวตนอนะ่แต่การรู้จากการจําจากการคิดเนี่ย มันก็เป็นพื้นฐานนะให้เราเวลาเราภาวนาไปนะเวลาที่เราภาวนาแล้วเราอยากจะกําหนดอะไรให้มันเที่ยงเนี่ยให้เราระลึกเลยว่าเราสําคัญผิดแล้วนะเช่นเราภาวนาไปมันนั่งนะมันปวดมันเมื่อยนะมันก็ถูกแล้วนะเพราะรูปมันไม่เที่ยงเพราะรูปมันเป็นทุกข์เพราะรูปมันบังคับไม่ได้ใช่ไหมแต่บางทีเรา ภาวนาไปแล้วก็อยากจะให้มันมันไม่ปวดไม่เมื่อยนะหรือจะพูดง่ายๆก็ไม่อยากให้มันทุกข์ใช่ไหมเราอยากให้มันสบายเนี่ยเราอยากให้มันสุขนะเราอยากให้มันอยู่คงที่นะมันนั่งสบายก็อยากให้มันนั่งสบายตลอดนะหรือบางทีมันเป็นทุกข์เราก็อยากจะบังคับมันให้มันหายทุกข์แน่เพื่อนทีถ้าเราวางใจผิดนะ เราจะภาวนาเพื่อบังคับรูปนะให้มันเที่ยงให้มันสบายหรือว่าสุขนะหรือไปบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราสั่งได้นะบางทีรูปเนะี่ยเราก็สั่งได้ในบางส่วนแต่มันไม่ใช่รูปทั้งหมดนะมันเป็นแค่บางส่วนเช่นเรานะจิตมันสั่งให้รูปมันเคลื่อนนะ ยกมือท่านั้นท่านี้นะสั่งให้รูปมันเดินสั่งให้รูปมันกินสั่งให้รูปมันนอนแต่จริงมันก็สั่งได้แค่บางส่วนแต่อีกส่วนใหญ่เนี่ยมันก็สั่งไม่ได้นะเช่นเราก็สั่งไม่ได้นะว่าจะต้องอจะกระพริบตาเวลาไหนนะหัวใจจะเต้นอย่างไรปอดตับอวัยวะภายใน จะเคลื่อนไหวจะทำงานอย่างไรแล้วก็สั่งไม่ได้หรือที่จริงถ้าใครเป็นอัมพฤกษ์อมาาัมพาตหรือแก่ชร า, ามากๆหลายอย่างก็แสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นชัดขึ้นนะรูปนะเช่นมือที่เคยสั่งให้ยกได้ต่อไปมันก็ยกไม่ได้เหมือนสภาพรถนะใหม่ๆ ม, มันดีนะมันก็ใช้งานได้ดีนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบรกนะจะเร่งนี่ก็ ค่อนข้างได้อย่างที่ใจหวังนะแต่พอลดเสื่อมโทรมไปจะเร่งก็เร่งไม่ขึ้นจะเบรกก็เบรกไม่อยู่จะเลี้ยวซ้ายก็ยากเหลือเกินนะสังขารของเราร่างกายนี้ก็เป็นแบบนั้นนะนะอย่างคนแก่คนชาราก็จะดูแล้วว่านะโอ้มันมันลุกยากมันลําบากนะหรือหลายคนก็เริ่มละนะความจําเสื่อม ระลึกไม่ได้นะ่ะอย่างต่อมานี่ยนะคุ้นเคยกับหลวงพว่อกลมบางทีท่านก็เออจําไม่ได้นะ่ะจําชื่อคนก็จําไม่ได้นะว่าจะเรียกอันนี้ก็เรียกไม่ถูกทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ข้างในนะแต่สัญญาเป็นภาษามันไม่ออกมาแต่หลวงพ่อกลมก็ดีท่านก็มองไปแล้วก็ตดนะหัวเราะตัวเองที่มันดื้อนะไม่ใช่เครียดไม่ใช่โกรธนะแต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติเนี่ยก็เออ มันมันหลงมันลืมก็ก็ไปตีอกชกหัวตัวเองไปทุกนะแต่จริงท่านก็มองเป็นแบบตลกตลกนะว่าเออมันแก่แล้วมันก็เป็นแบบนั้นเนาะสัญญามันก็ไม่เที่ยงนะมันดัลึกไม่ได้ก็ช่างหัวมันนะอันนี้คือการวางใจนะแล้เราก็เห็นเนี่ยเราก็เห็นรูปก็ดีนามก็ดีนะ่ะมันก็เป็นเช่นนั้นแหละนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราภาวนาไปเพื่อให้เห็นเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะไม่เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนั่นแหละเมื่อนั้นจิตมันถึงจะเกิดการคลายกำหนัดน ะ, เ, ะเกิดความหลุดพ้นของมันเองมันต้องเห็นตามความเป็นจริงนะไม่ใช่อยากจะเห็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นตามความเป็นจริงมันเป็นแบบไหน เราเ ล, ลิกรู้อย่างที่มันเป็นเลยนะเ ล, ลิกรู้กายนะกายก็เป็นการรู้นะรู้การเคลื่อนการไหวนะรู้อะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นกับกายแม้แต่เวทนาที่เกิดขึ้นกับกายก็เพียงแค่ร ะ, ะลึกรู้นะรู้ลงไปนะรู้ให้เห็นอะไรเห็นการเกิดเห็นการดับนะเราเคลื่อนไหวนะก็เหมือนกันนะ พลิกมือขึ้นเกิดการเคลื่อนละหยุดก็การดับละการเคลื่อนก็ดับไปเป็นการเคลื่อนแล้วก็หยุดหรือจะเรียกว่าเกิดแล้วก็ดับก็ได้หายใจเข้ามันก็มีจังหวะหนึ่งที่มันหยุดไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็นะเกิดการหายใจเข้าแล้วก็ดับการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกก็นะเกิดขึ้นใหม่ แล้วก็หยุดจังหวะหนึ่งก็ดับละนะแล้วก็หายใจเข้าใหม่นะทุกสิ่งทุกอย่างนะมีแต่การเรารู้การเคลื่อนรู้การหยุดนะ่ย mm hmm. ก็เค่เห็นการเกิดดับของรูปนะแต่รูปมันไม่ใช่รูปทั้งหมดนะที่มันเกิดดับมันเป็นแค่การเคลื่อนไหวบางส่วนเพราะจริงรูปหลายๆอย่างมันก็ยังมีการทํางานของมันอยู่แต่เราแค่เห็นเห็นเป็นครั้งเห็นเป็นครั้ง เหมือนเราอ่านหนังสือเราต้องอ่านทีละคำนะอ่านทีละคําเราไม่เราจะบอกว่าเราจะอ่านทีละประโยคนั่มันยาวไปเลยคนไม่เข้าใจนะเราออกเสียงคำํำนะต่อเนื่องกันไปเลยไม่ได้เราต้องอ่านเป็นทีละคามันถึงจะได้ความหมายนะได้ภาษาเกิดความเข้าใจการได้รู้นะรูปที่เคลื่อนไหวก็เหมือนกันให้เราเรียนรู้นะทีละขณะนะ จิตมันจะรู้นะการเคลื่อนนะก็ขณะหนึ่งการหยุดก็ขณะหนึ่งนะรู้ไปทีละขณะทีละขณะนะอันนี้สําคัญนะหลักการปฏิบัติโดยเฉพาะแนวหลวงพ่อเทียนนะท่านให้มีการเคลื่อนมีการหยุดอย่างสมัยก่อนนะนะก่อนที่หลวงพ่อเทียนจะไม่บริกรรมนะเขาเขายังขนาดถึงขณะบริกรรมว่าติงนิ่งนะ ติงคือเคลื่อนนิ่งคือหยุดน่ะเขาบริกรรมเพื่อให้อะไรให้มันรู้ว่าเออมีการเคลื่อนมีการหยุดแต่พอสมัยหลังเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านไม่บริกรรมแต่ท่านก็ยังทําแบบนั้นนะก็คือการเคลื่อนแล้วก็การหยุดอันนี้หลักสําคัญไม่ใช่ไม่ใช่หลักแบบไม่ใช่หลักแบบอนั้นนะแต่เป็นหลักแบบของเทคนิคนะหลักเทคนิคที่สําคัญให้มีการเคลื่อนมีการหยุด บางทีจะสังเกตบางทีนักปฏิบัติบางคนทําทําเป็นสักแต่ว่าทํานะนะทําไปเคลื่อนไหวเลเด่นๆไปไม่มีการเคลื่อนเออไม่มีการหยุดเคลื่อนไปเรื่อยๆนะแบบนอนสต็อปเลยนะบางทีมจะรูปแบบผ้าๆมันจะเป็นการรูปแบบไม่ชัดนะหรือบางทีก็สักแต่ว่าได้ทําแต่ใจก็ไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเรามีการเคลื่อนมีการหยุดเนะี่ มันจะมีความตั้งใจมีเจตนากับการเคลื่อนไหวเจตนากับการหยุดตรงไปเจตนาในที่นี้นะอาจจะมีความจงใจแต่เป็นความจงใจที่เพิ่มสมาธิเข้าไปตรงนั้นนะเราตั้งใจที่จะทำอะไรเนะี่ยคือการมีสมาธินะเพราะคนปฏิบัติใหม่ๆเนะี่ยมันจะไม่ค่อยมีสมาธินะจิตมันจะฟุ้งซ่านนะ จิตมันจะไม่ตั้งมั่นขารที่มีเจตนาลงไปในการเคลื่อนในการหยุดเนี่ยมันเพิ่มสมาธิลงไปแต่ไม่ใช่ทำขนาดเป็นการเพ่งจ้องนะต้องให้รู้จักพอดีความเป็นกางหรือความพอดีเนี่ยเราต้องเราต้องวางใจให้มันถูกหรือว่าต้องปรึกไปเรื่อยมันถึงจะรู้อ้อขนาดนี้พอดีเพราะบางขณะเนี่ยมันก็เผลอมันก็เพลินนะมัน ไม่มีความตั้งใจเลยนะหรือบางขณนะมันอยากจะรู้ชัดๆนะมันไม่อยากให้มันหลงมันก็เพ่งจ้องมันก็ตั้งใจเกินไปนะแต่การรู้แบบสบายๆเนี่ยนะนะมันก็ตั้งใจแต่ไม่เพ่งจ้องนะมันก็รู้แต่ไม่เผลออันนี้คือความพอดีความเป็นกลางนะแต่ไม่แต่ความพอดีความเป็นค่า ความเป็นกลางของการวางใจให้ถูกนะในการปฏิบัติใหม่ๆให้เข้าใจเลยว่ามันไม่สามารถที่จะถูกได้ตลอดหรอกนะแต่ถ้าเราไปสำคัญมั่นหมายผิดว่ามันต้องถูกตลอดสิมันต้องเป็นกลางตลอดสิหรือมันต้องรู้ซื่อๆนะที่หลวงพ่อท่านสอนตลอดสิมันไม่เป็นหรอกนะการจะรู้ซื่อๆได้จริงๆนะอันะนั้นเป็นขั้นสุดท้ายจริงๆนะ จิตมันจะไม่ซื่อขนาดนั้นหรอกนะนะแต่มันจะซื่อเป็นทีละขณะขนาดไหนที่รู้สึกตัวได้ถูกนะจิตตั้งมั่นจริงๆเออมันรู้มันรู้ซื่อๆจริงๆแต่จิตบางทีมันก็เรียกว่าซับซ้อนหรือว่ามันซ่อนกลไม่เยอะบางทีพอเรารู้ซื่อๆทำถูกมันเกิดปิติขึ้นมาโอ้เราทำถูกนะเราทำดี ปิติเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันก็ไปหลงดีใจนะหลงปูมแต่งหรือบางทีก็ไปหลงยึดว่าเอออยากให้ถูกแบบนี้ต่อเนี่ยตรงนี้มันไม่ซื่อแล้วนะเออจิตที่เป็นปิติขึ้นมาหรือว่าเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นต่อไปนั่นเะนี่ยมันเลิกซื้อแล้วนะเราต้องรู้ทันตรงเนี้ยนะนะรู้ทันแต่จิตที่มันเป็นปกติอืมนะ มันรู้นะมันก็ไม่หลงดีใจหรือถ้ามันหลงดีใจเราก็ตามรู้อีกว่าอ้อจิตมันดีใจนะก็พอแค่นั้นอันนี้แหละคือการภาวนาเนี่ยทุกขณะจิตนะทุกขณะการเคลื่อนไหวตามรู้นะตามรู้ไปเรื่อยเืย่เรามีกายที่เคลื่อนไหวนะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเพื่อให้จิตมันตระนกรู้นะ กายกับใจให้มันรู้นะไปพร้อมๆกันนะการรู้กายนะกายมันทำอะไรให้ใจมันรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะแต่ให้รู้แบบสบายๆรู้ไม่เพ่งไม่จ้องรู้แบบรวมๆนะเห็นกายทั้งกายนะมันเคลื่อนไหวนะเห็นกายทั้งกายมันทําในท่าไหนอิเดยบทใหญ่นะอิเดียบทย่อยเช่นนั่งนะก็รู้ถึงการนั่ง นั่งแล้วเคลื่อนไหวมือก็รู้ถึงการเคลื่อนไหวมือนะไม่เพ่งจ้องแต่กับมือกับแขนอย่างเดียวนะก็ให้ลึกรู้ได้ว่านั่งแต่บางทีจิตมันก็บังคับไม่ได้หรอกบางทีมันก็รู้เฉพาะบางส่วนนะแต่ถ้าเราไปเพ่งจ้องแต่เฉพาะบางส่วนมันจะกลายเป็นสมรรนะถ้าเรารู้แบบสบายๆเห็นอาการของกายรวมๆนะแล้วก็ไม่เพ่งจ้องเกินไป มันจะเห็นอะไรเราดูกายนะเพื่อให้เห็นจิตนะไม่ได้อยากจะดูจิตมันก็เห็นนะปนะฏิบัติไปเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาปนะฏิบัติไปแล้วเกิดความพุ้งซ่านเกิดความคิดนะเกิดความรักความชังขึ้นมาเนะี่ยมันเห็นเห็นไหมเห็นมันผุดขึ้นไหมคล้านยะๆเหมือนกับเรานั่งดูนั่ง ตรงกลางสะพานสะน้ำที่วัดแบบนี้นะ้านั่งอยู่กลางสะพานมองไปที่น้ำนะปลาดุกนะมันลอยมามันโผล่ขึ้นมานะเราก็เห็นนะเราโยนอาหารลงไปนะยิ่งเห็นชัดเลยนะการภาวนานนะบางทีเหมือนโยนอาหารไปรอบปานะนะเราอยู่เฉยๆบางทีปลามันอยู่ข้างใน เราไม่ให้ปฏิบัติเนี่ยเราใช้ชีพปกติเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร่ไม่เห็นคิดมากไม่เห็นง่วงเลยก็ยังทําอะไรได้แต่การปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราโยนอาหารลงไปนะมันจะเห็นเลยว่าอะไรที่มันอยู่ใต้น้ําเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาต่อเลยนะเออเราโยนอาหารเข้าไปเนี่ยเออปลาดุกปลาเออปลานินปลาตะเพียนอะไรมันโผล่ขึ้นมามากินอาหาร การภาวนาก็เหมือนกันเนี่ยเราเคลื่อนไหวเราไม่ทำทำใจอยากเนยมันจะเกิดกิเลส ท, ที่มันมาต้านมันมันมาล่อมันมาลวงมันมาชวนนะเอออยากจะคิดนะคิดสักหน่อยนะออขอโอกาสคิดนิดนึงบางทีมันก็มาชวนเราเของ่วงนิดนึงนขอแอบไม่รู้สักหน่อยได้ไหม น่ยบางทีพอปฏิบัติแล้วมันสุขสบายขอสุขสักหน่อยหน่าเน่ยอยเพึ่งวางเลยรู้อยู่นะะความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะรู้เฉยแต่มันก็ยังอยากสุขอยู่นะยังอยากสบายนะอยากเพลินมันเน่ยพวกเนี้ยมันมาล่อนะพาทีภาวนาไปมันจะเห็นดีนะอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถือว่าดีทั้งนั้นเราจะได้เห็นว่าอะไรที่มันนอนเนืองในจิตใจในกำมลสันดาน ของดาวนั่แหละมันจะโผล่ขึ้นมานะโผล่ขึ้นมาให้เห็นทีละครั้งทีละครั้งแต่การโผล่ขึ้นมาแล้วรู้ทันยังมีสติเน่ะคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเหมือนถ้าเปรียบเทียบแบบคร่าวๆนะเช่นสมมติปลามันโผล่ขึ้นมาเรารู้เหมือนเราเอาสวิงมาตักปลาออกทีละตัวสองตัวนะถ้าในน้ํานะมันมีปลาเป็นพันเป็นหมื่นนะ การที่รู้ทีละขณะก็เหมือนเราก็ตักปลาออกทีละตัวทีละตัวทีละตัวตักไปเรื่อยนะปลาก็จะค่อยๆหมดออกไปนจากสร ะ, ะจิตของเราก็เหมือนกันนะจิตที่มันรู้รู้เท่าทันความคิดฟุ้งซ่านหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็เหมือนกันมันจะรู้ทันกิเลสรู้ทันกิเลสที่มันแสดงในใจนี่แหละนะเราจะเห็นเลยว่า จิตใจเนี่ยพว้มันมีอะไรหลายอย่างที่มันซ่อนแต่ก่อนเนี่ยโอ้เราก็คิดว่าเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งหรอวะอา่าระดับหนึ่งแหละนะบางทีเราก็คิดว่าเราเป็นคนเก่งระดับหนึ่งหรอวะนะบางทีเราก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่เออคิดว่าตัวเองก็มีความสุขระดับหนึ่งนะนะแต่พอภาวนาเป็นจริงนะเอ่เอไอ้ที่ว่ามันเก่งนะมันก็เห็นความโง่ของตัวเองนะ หรือบางทีมันก็เห็นว่าไอ้ที่มันเก่งเนี่ยมันเป็นความสําคัญมั่นหมายผิดนะนะมันมีมานะไอ้ความเก่งทางโลกที่เรายึดมั่นเนี่ยมันคือมานะมันคืออัตตนี่เองนะมันพองมันใหญ่นะมันไม่ยอมใครโอ้ไอตัวนี้เนาะเราถือไว้มาหลายปีโอชั้นเรียนสูงชั้นทํางานเก่งชั้นรวยชั้นสวยชั้น่อนะไอพวกเนี้ยมัน พอไปยึดไว้นะสําคัญกลายเป็นตัวตนเป็นมานะพอภาวนาไปเห็นโอ้ยพวกนี้เนาะมันหลอกให้เราหลงในรูปหลงในรสชาติชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆหลงให้เราไปยึดมั่นว่ามันต้องอยู่ตลอดไปหรือว่าต้องมีคนชมเราแบบนี้ต่อไปมันมาเห็นเห็นการสร้างพบสร้างชาตินะ่ะในใจของเราเองเนี่ยแหละ เราสร้างเองแล้วเราก็ยึดเองเราเราก็อยากให้มันอยู่แบบนั้นต่อไปเรื่อยๆนะ่มันเห็นเห็น่อยเรื่อยๆนะหรือบางทีไอ้ที่เราไม่รู้ว่าบางทีเราก็คิดไม่ดีนะ<อ>เราก็ว่าเราเป็นคนมีน้ำใจแต่หลายครั้งที่คนอื่นเขาไม่ชมเราไปชมคนอื่นเนี่ยเราก็อิจฉาเขาอไม่ใช่มุติตาจิตนะจิตก็ยังอิจฉาอ่บางทีมีคนถวาย ของให้กับคนอื่นนะไม่ถวายให้กับเราโอ้ยจิตมันก็ไม่พอใจอนะทําไมไม่มาถวายเราเอาเอา่บางทีก็เป็นแบบนั้นหรือบางทีนะอา่าเราก็ไม่พอใจขึ้นมาของมันเองนะเห็นจิตที่มันไม่พอใจเห็นจิตที่มันอยากได้นะเห็นจิตที่มันหลงบางทีแค่ตาไปเห็นอะไรทักอย่างเนะี่ยเอา้ามันไหลไปแล้วนะตาไปเห็น หรือหูได้ยินเสียงนะเกิดละนะโสตวิญญาณนะได้ยินเสียงแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วที่หูไม่ใช่สักแต่ว่ารู้แต่มันก็ไปปรุงนะเสียงเสียงนี้ชอบเสียงนี้ไม่ชอบนะอย่างเช่นนะเสียงไก่ขันนะอย่างตอนนี้เราก็อาจจะเฉยเฉยนะแต่ถ้าตอนเช้ามันมาขันข้างข้าวติเราเป็นไงนะลคาคาญนะบางคนไม่อยากตื่นนะ บางคนตื่นแล้วก็เฉยเฉยบางคนไม่อยากตื่นก็ดำคารเหมือนเราได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเป็นยังไงตอนเช้าวันไหนงัวเงียนะเออก็ไม่อยากจะตื่นนะไม่อยากจะได้ยินรีบดับทันทีวันไหนตื่นแล้วเออก็ปิดธรรมดาจิตเนี่ยมันไม่ปกตินะจิตมันรักมันชังมันชอบมันไม่ชอบมันก็เป็นของมันเองนะ เราก็พยายามเรียนรู้ดูมันอะไรมันเกิดขึ้นมาแสดงนะหน้าที่เราคือหน้าที่เรียนรู้ศึกษาเขาอย่างที่เขาเป็นนะไม่ใช่ไปการภาวนาไม่ใช่เป็นการบังคับดัดแปลงเสแส้งอย่างที่เราอยากให้มันเป็นนะการภาวนาจริงคือเรียนรู้อย่างที่กายหรือใจเขาแสดงความจริงให้เห็น เราเรียนรู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละเราถึงจะเข้าใจความจริงนะการรู้กายการรู้ใจน่นแหละรู้อย่างที่มันเป็นเลยอย่างที่เป็นตรงเวลาไหนก็นอย่างที่เป็นในขนาดนั้นนะมันเป็นไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่รู้วางไปเลยรู้สิ่งที่มันเป็นใหม่ในปัจจุบันนะอัที่มันผ่านไปแล้ววางไปเลยอันที่มันยังไม่มาเนี่ยวางไว้เลยนะ ให้รู้ลงที่ปัจจุบันเมื่อไหรที่จิตมันเผลอไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแม้เสี้ยววินาทีที่ผ่านมาก็กลับมาจะ ร, รู้เลยว่าจิตตอนเนี้ยมันเผลอไปคิดถึงมันเมื่อไหรที่จิตมันกังวลกลัวนะกลัวว่ามันจะเจ็บกลัวว่ามันจะหายให้รู้ทันเลยว่าเออเราเรามีความกลัวมีความกังวลเกิดขึ้นอยากให้มันดีอยู่ไม่อยากให้มันหายไป รู้ทันที่ปัจจุบันว่าตอนนี้มันกังวลขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่คิดมันไม่นึกเราก็รู้นะรู้ว่ากาลังนั่งรู้กํากลังเคลื่อนไหวนะรู้ากลังหายใจก็รู้ลงที่กายก็ได้นะรู้ลงที่กายลงปัจจุบันรู้ลงที่ใจที่ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเลยการรู้ตรงนี้แหละมันจะเห็นกายหรือใจก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงไม่เคยเที่ยงนะ จิตก็เหมือนกันไม่เคยเที่ยงแท้แน่นอนนะบังคับก็ไม่ได้นะสั่งก็ไม่ได้นะสั่งได้ก็นิดๆหน่อยๆ น, นะบังคับให้คิดนะก็ยังบังคับไม่ได้นะบางทีเหมือนเราจะทำงานนะทั้งที่เราก็เคยเรียนมาแต่พอจะคิดบางทีก็คิดไม่ออกนะมันอย่างทีห่หลวงพ่อกลมก็เห็นนะบังคับให้นึกชื่อคนก็นึกไม่ออกนะ AM, <rim> บางทีก็นึกไม่ได้นะมาเองก็เป็นเหมือนกันนะบางที คนนี้ก็รู้จักนะแต่คิดหน้าคิดชื่อไม่ออกนะเจอที่ไหนก็จําไม่ได้นะมันได้ลึกไม่ได้แต่มันก็ระลึกได้บางขณะตามเหตุตามปัจจัยอนะ่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างเป็นแบบนี้แหละนะมันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้ทุกอย่างสภาวะนะมันเป็นทุกนะอย่างกายเนะี่ยมันเป็นทุกโดยสภาวะทุกนะทุกเพราะมันมีรูป นะรูปตัวนี้ก็แก้ไขบรรเทาบำบัดได้เฉยๆแต่ละไม่ได้นะละไม่ได้หรอกนะจนทั้งถ้าเราตายไปเนะี่ยอาจจะเรียกว่าละทุกข์ของรูปนะะทุกข์ของรูปแต่รูปแต่นามเนี่ยเป็นทุกขที่เราต้องรู้ตามอริยสัจนะทุกตามอริยสัจคืออะไรนะคือมันทุก เพราะว่าเกิดตัณหาเกนะิดความอยากนะเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอาหรือมันอาจจะเกิดเพราะว่านะเป็นกามมาตัญหานะตัณหาที่เกิดจากกามนะกามในที่นี้หมายถึงว่าความชอบนะความชอบความชังทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนี่แหละนะ มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะจะว่าโดยย่ อ, อ ก, ก็ได้ว่าอุปทานนะอุปทานขันทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์คือจิตที่มันไปนยึดยึดติดสำคัญหมายว่ารูปนี้นะอยากให้อยู่แบบนี้ตลอดเวทนาที่มันสุกเนี่ยอยากให้มันอยู่ตลอดเวทนาที่มันทุกข์เนี่ยอยากให้มันหายไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมาอีกนะจิตตวเ น, นี้มาสงบ อยาให้เป็นแบบนี้จิตตอนนี้มันฟุ้งซ่านไม่อยากให้เป็นแบบนี้อันนี้แหละคืออุปทานที่เราไปยึดมั่นสําคัญหมายนะไปชอบไปชังแต่ที่จริงไอ้ตัวสําคัญจริงๆคือไปสําคัญว่าเป็นเราจริงๆนะมาไปสําคัญว่ารูปเนี่ยมันเป็นเราไม่ไปสําคัญว่าความคิดนี้มันเป็นเราไปสําคัญว่าความรู้สึกสุขทุกข์สบายชอบชังเนะี่ยมันเป็นเรา พอเรารู้สึกว่าเป็นเราเราก็เลยกลายเป็นผู้สุขเราก็เยเลยกลายเป็นผู้ทุกเราก็เลยกลายเป็นผู้รักเลยกลายเป็นผู้ชังนะแต่การดูการรู้เฉยๆเนะี่ยมันจะเห็นเป็นเพียงแค่อาการนะอาการทุกนะที่มันเกิดขึ้นกับขากับรูปนะมันไม่ใช่เราทุกนะมันเป็นแค่อาการที่มันทุกของรูปนะอาการหิวของรูป อาการปวดเมื่อยง่วงนอนของรูปแต่ถ้าเราไม่เห็นนะเราก็กลายเป็นชั้นง่วงนอนนะชั้นปวดเมื่อยนะขาของกูเจ็บนะนะขาของเราปวดนะอันนี้สุภาพหน่อยนะบางคนก็แล้วแต่จะดิดนะนะหรือบางทีก็จิตนะจิตนี่แหละมันก็โอชั้นฟุ้งซ่านชั้นคิดมากนะเหมือนที่หลวงพ่อคำเกียงเคย ยกตัวอย่างแลวบางที่ท่านเบรกสอบอารมณ์นักปฏิบัติวันนี้หนูคิดมากหนูฟุ้งซ่านนะไม่สบายเลยนะพ่อบอกให้พูดใหม่นักปฏิบัติพูดใหม่พูดอย่างไรอ๋อวันนี้หนูเห็นจิตมันฟุ้งซ่านเห็นจิตมันคิดมากนะการพูดมันก็เกิดจากการคิดใช่ไหมอะพอคิดอีกแบบหนึ่งพูดอีกแบบหนึ่งจิตมันก็เบาลงไปได้แม้ยังไม่ได้เห็นความจริงนะเอ่ แต่ก็วางใจถูกแบบนั้นแล้วก็คลายลงไปได้เยอะเนี่ยเราดูก็เหมือนกันมันคิดก็ไม่ใช่เรามเป็นเพียงแค่อาการมันสุขก็ไม่ใช่เราเป็นเพียงแค่อาการมันทุกข์ก็ไม่ใช่เราเป็นเพียงแค่อาการเนี่ยเราดูตรงนี้แหละนะเจนทั้งขั้นสุดท้ายนะพระโมคคานะนะท่านเคยถามพระพุทธเจ้าว่าสุดยอดของธรรมะนะ หรือการปฏิบัติที่แบบย่อๆหรื อ, อขั้นสูงสุดคืออะไรนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะน ะ, ะทำทั้งหลายจะเรียกว่าสิ่งทั้งหลายก็ได้น ะ, ะทำทั้งหลายนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่ น, นทุกอย่างนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่เป็นรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดี หรือกุศลนธรรมก็ดีอากุศลนธรรมก็ดีหรือธรรมที่เป็นกลางกก็ดนีนี่แหละสุดยอดนะถ้าเราเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูเฉยดูไปนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแต่โดยภูมิธรรมของพวกเราส่วนใหญ่จะดงไปยึดก่อนพอดงไปยึดแล้วเราก็ค่อยมารู้ว่าเรายึดนะการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเป็นการวางการยึดนะเหมือนเรามือเราไป ถูกของร้อนพอเรารู้ตัวเราก็คลายจากของร้อนมือเราไปถูกของมีคมมันเจ็บพอเรารู้ตัวเราก็คลายจากความเจ็บแต่ถ้าเราเมื่อเรามันด้านมันชามาเป็นมันไม่รู้สึกมันถูกของร้อนมันถูกของมีคมมันก็ไม่ยอมปล่อยมันก็ยิ่งเจ็บหนักขึ้นเรื่อยๆจิตเราก็เหมือนกันนะจิตที่ไม่รู้ตัวไปไปยึดมั่นในความรักในความชังนะ ในความอยากได้ในความไม่อยากได้อันเนี้ยจิตพอมันไม่รู้ตัวมันก็เลยไปยึดไปแบกความทุกข์เนาะเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆให้มันรู้ไปเรื่อยนะทีละขณะทีละขณะขนาดนี้รู้อ่ะก็วางขนาดนี้หลงก็วางใหม่ก็รู้ใหม่นะทไปทีละขณะทีละขณะอยู่กับทีละขณะก็พอเนาะอันเนี้ยทาไปเรื่อยนะ คนขยันนะก็รู้มากนะคนที่เกียดก็รู้น้อยนะก็ทํากันดเอแล้วกันเนาะอยากจะรู้มากหรืออยากจะรู้น้อยแต่ตอนทํำจริงๆนะไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าอยากจะรู้หรือไม่อยากรู้นะไม่ต้องคิดว่าจะจะบรรลุหรือไม่บรรลุนะทําไปนะทาไปด้วยใจที่เป็นกลางๆนะแม้มีความอยากก็ให้มันบางมันก่อนนะทำํำนะ ถ้าเมื่ อ, อไดมันอยากมันก็เหตุให้เกิดทุกข์นะแต่บางทีมันก็ยังมีอยู่เพราะว่ า, าเรายัางไม่ละตันหาได้ทั้งหมดแต่ขณะที่ทำให้วางความอยากให้วางความรู้ที่เราเคยอ่านที่เราเคยฟังที่เราเคยเรียนนะวางไว้ก่อนนะให้วางความคิดไว้ก่อนนะวางทุกอย่างไว้นะเราก็แค่รู้สึกตัว ตัวในทีน่นี้อาจจะกายที่เขาแสดงก็ได้หรือใจที่เขาแสดงก็ได้อะไรก็ได้นะนะแล้วแต่จะดิดนิสัยและความเด็ดแล้วแต่ความเด่นชัดที่มันแสดงในตอนนั้นนะรู้ไปลงปัจจุบันนั่นแหละถูกแล้วเนาะ ก, ก็ฝากไวนะ้เป็นธรรมะนะสำหรับชาววันนี้กาับาพะพร้อมกัน